พระวรธรรมคติสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อจะให้พวกเราได้ฟังก่อนจากนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภชนิยกรฐานในวันผู้ใหญ่บ้านกำนันจากนั้นคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะสวดชยมงคลคาถา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 และตั้งตนอยู่ในความดีมีความเมตตาและยุติธรรมก็ชื่อว่าได้รักษาผู้อื่นด้วยเพราะการที่เราไม่คิดร้ายเบียดเบียนทาลายผู้อื่นก็เท่ากับเป็นการปกป้องรักษาผู้อื่นจากภัยอันตรายและความเดือดร้อนทุกจากนั่นเองนอกจากนี้พุทธภาสิทธินี้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 จากนั้นพอพุ่งใิเช้าก็ขึ้นนี่แหละมาวันงานผู้ใหญ่บ้านกำนันวันนี้เพราะนั้นภารกิจของหลวงพอ่อถ้าจะว่าไปแล้วก็มากพอสมควรแต่วันนี้ <c oughs> ตาตามไม่จริงน่าจะพักนะพอหลวงพ่ออายุป่าเข้าไปถึงเจ็ดสิบแล้วน่าจะพักผ่อนแต่ถึงยังไงวันนี้เห็นว่าเป็นวันสำคัญยิ่งท่านในท้องถิ่นของพวกเราคือเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้านเออเยกว่าเป็นพ่อตำบลเป็นพ่อบ้านของใ น, ในท้องถิ่นถว่ายอำเภอก็คือท่านในอำเภอเอ่อเป็นผู้ดูแลเป็นผู้คุ้มครองพี่น้องประชาชนถ้าหาว่าฝ่ายดูแลความสงบก็ท่านผู้กากับเอ่อเป็นผู้ดูแลอ่แต่วันนี้ได้พร้อมกันทุกหมู่ทุกหน่วยทุกเหล่าที่ได้ทาบุญ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 ทั้งหัวทั้งเท้าทั้งตีนทั้งมือทั้งแข้งทั้งขาเป็นอวัยวะของพวกเราด้วยกันทั้งหมดสําคัญด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่ก็ใช่เป็นหัวอบอกให้ทําสั่งให้ทําอะไรอบอกให้มือเท้าทําอะไรก็ต้องมีหัวเหมือนกับรถไฟนะั่นแหละถ้าไม่มีหัวจักแล้วพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันใครจะเป็นคนผักด้านหัวโบกี้รถไฟ มันไปที่ไหนมันก็ตกลางตกเหวตกบ่อไปหมดเพราะเะไไม่มีหัวเพราะนั้นหัวจักนี่สำคัญนี่แหละคือท่านนายอำเภอของเราเท่านก็เป็นผู้ดูแลปกป้องพี่น้องประชาชนพวกมูเหล่าเพราะนั้นพวกเราที่เป็นโบกี้ที่ตามหลังก็ให้ขอให้ช่วยช่วยกันคิดกันช่วยช่วยกันทา สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะหลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไพหลวงพ่อเป็นพระเป็นพระหลวงปู่หลวงตาอยู่ในท้องถิน่นอำเภอนายอจุงมายาวนานามาตั้งแต่2525 25. ันอเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายาบางทนก็ยังไม่ได้รับราชการอีกต่างหากาบัดนี้หลวงพ่อก็ได้มานั่งพูดคุยกับพวกเราลูกหลานทุกคน ถ้าจะว่าลูกหลานก็ใช่เพราะหลวงพ่อกเกษียณมานานแล้วเดี๋ยวนี้อายุหลวงพ่อก็จะเข้า70อยู่แล้วปีนี้69นะคณนะสัตยาติโยมลูกหลานเพรนะาะคณะลูกหลานยังทําการทํางานอยู่เป็นน้อง เ, อเป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อทั้งนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อพูดในฐานะพ่อแม่หรือปู่หรือหรือว่าลักษณะพ่อแม่ก็แล้วกันเพราะว่าถ้าปู่ชักจะเกินไปนะพูดในฐานะ เป็นพ่อแม่และเป็นพี่ๆ พ, พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านที่อยู่ในเขตอยู่ในอำเภอนายูงเป็นผู้รับผิดชอบในอำเภอนายูงขอหลวงพ่อเองขอฝากฝังไว้กับท่านในอำเภ อ, เ อ, อและกัท่านผู้กากับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยแล้วกับผู้ใหญ่บ้านกำนันแพทย์ประจาตาบล อบอตอนายกอบอตอรหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในอำเภอนายูง ท, ทุกท่านสรุปแล้วก็คือเป็นส่วนรัฐการที่ได้รับเงินเดือนจากส่วนกลางคือได้รับเงินจากพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินส่วนกลางที่ท่านตราออกมาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตเพราะแต่ก่อนเก่าแต่ก่อนหน้านี้นะ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 ก่อนอำเภอนายยงก็เป็นอำเภอที่ธุรกันดารเป็นอำเภอที่ว่าห่างไกลเศรษฐกิจด้อยกว่าอำเภอ อ, อื่นๆในจังหวัดอุดอรเป็นอำเภอสุดท้ายปลายแดนแต่บัดนี้เมื่อ3มปี4ปีให้หลังแอบจะลบแล้วก็คือหลวงพ่อจะเท้าความให้ฟังว่าสวนยางสวนยางนี่มาจากใครมาจากท่านกำนันจุรชาตินะ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 จากนั้นเนี่ยตู้เก่งบ้านน้ำโสมเนี่ยท่านก็เอามาเอามาให้หลวงพ่อแ800รต้นมาเออหลวงพ่อออกมาปลูกหลยเออพอมาปลูกใส่วัดหลวงพ่อพอมาปลูกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ300ต้นนะแปดร้อ800ต้นมันตายไปทีนี้เพราะว่าเราปลูกฝากไว้กับเทวดาเนี่ยเราไม่ได้รักษามันเดี๋ยวนี้มันคละเกินกับต้นไม้ใหญ่แตมไม่วัดต้นยางก็ต้นตะแบกต้นไม้เปลือยต้นไม้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 เขารู้สึกว่าจะน้อยเกินไปขอฝากไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เข้าโพดก็เมือ่อไงหลวงพ่อเข้าโพดหลวงพ่อก็เคยพูดนะเข้าโพนอย่าให้ต่ากว่าเจบาทเถอะนะมันจาปะหลังอย่าให้ต่ํากว่า2บาทเป็นอย่างน้อยแต่มันแต่ขี้ยางนี่หลวงพ่อว่า35บาบาทในสักจะน้อยเกินไป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 เวลาบินทบาตเนี่ยได้แต่ข้าวเหนียวนะบอกให้ผู้เยาว์กำย وم กำนันผู้เยาวบ้านให้รับรู้รับทราบหลวงพ่อบินทบาทมีแต่ใส่ข้าวเหนียวปอกแบกปอกแบก อ, อ, อาหารก่อนเนี่ยนะทางในครัวของหลวงพ่อกจัดเลี้ยงแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เดือดร้อนนะแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อบินทบาทรู้สึกโอ้โหนะเออ้โหทําไมเวลาบินทบาทมีนมกล่องใส่ทุกโอง่งเลยทีนีเ้เพราะว่าพี่น้องประชาชน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 สำเร็จแล้วด้วยใจคำว่าหัวหน้าคานี้คือใจใจของเราเนี่เป็นหัวหน้าใจเป็นนายใจใจเป็นนายกายเป็นเบาร่างกายใจของเราเนี่เป็นหัวหน้าใจของเราเนี่เป็นลูกน้องคือเปรียบเทียบก็ว่าใจของเราเนี่เหมือนกับโชเฟอร์แต่ร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถรถกับโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์มีคุณภาพมีคุณธรรม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 ในอำเภอแต่เราไม่ได้พูดถึงท่านในอำเภอท่านในอำเภอนี่ท่านมีหน้าที่ดีอยู่แล้วท่านได้อบรมศึกษามาดีอยู่แล้วอันนี้เราไม่ว่าแต่ท่านี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันคงเหมือนกันกระได้รับการยกย่องจากพี่น้องประชาชนที่ในหมู่บ้านในตำบลให้เป็นกำนันให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อผู้พี่น้องประชาชนยกให้เราเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว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 ท่านลุกพะเทวดาท่านอย่าให้นกมาเกาะต้นไม้ท่านนะถ้านกนี่มาเกาะต้นไม้ท่านเดี๋ยวต้นนกนี่ยนะมันจะขี้ลาดลงใส่กิ่งต้นไม้ของท่านแล้วต้นไซจะเกิดขึ้นเมื่อต้อนไซเกิดขึ้นต้นไซนั้นจะพันต้นไม้ท่านจะทําให้ท่านต้นไม้ของท่านจะโค่นล้มในที่สุดเขาเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะ ลูกค่ะเทวดามองเห็นนกมาเกาะต้นไม้ท่านก็ยังเขายังมองเห็นพิษภัยต่อไปภายภาคหน้าในเมื่อนกตัวนั้นถ่ายโคตรอุจจระลงไปไปไว้ในกิ่งไม้ต่อไปต้นไซก็จะเกิดเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาต้นไซนั้นก็จะพันพันต้นงิ้วต้นงิ้วใหญ่ต่อไปเนี่ยต้นไซก็จะปกคุมต้นงิ้วต้นงิ้วนั่นก็จะโค่นล้มในที่สุด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 แต่ถ้าหากว่าพวกเราไปยุยงส่งเสริมเขาเนี่ยแหละจากนั้นก่อนเนี่ยแหละเกิดพิษภัยขึ้นมาสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมามากๆขึ้นมาสิ่งที่ไม่พึงปราถนาก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราพวกเราก็จะเสียใจไปนานเท่านานทีเดียวเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกๆุ ท, กท่านเพราะท่านมีอำนาจเต็มเขตอำเภอหรืออำเภอนาโยงของพวกเราเป็นอำเภอที่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 ดังมาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นอำเภอนายูงของเราเนี่เป็นอำเภอที่โดดเด่นอำเภอหนึ่งไม่แพ้อำเภออื่นๆและหลวงพ่อเองก็ได้ทราบว่าอำเภอนายูงน้ำสมกุศจับบ้านผือแหล่งการศึกษาสพทออติดอันดับของประเทศอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ยินแล้วก็ภาคภูมิใจว่าอำเภอใน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 ในอำเภอนายุอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็น เ, เห็นไหมเจ้านายใหญ่ๆก็ได้เข้ามาเดเมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อก็ได้พบกับท่านตรวจกระทรวงมหาดไทยท่านนายอำเภอเข้าพาเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้พูดสิ่งเหล่านี้เหมือนกันและก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ได้พูดว่าเอเ อ, เอพอฝากไว้กับท่านผู้ตรวจด้วยนะ ถ้าว่ามีอะไรก็พูดทางกระทรวงมหาดไทยก็เป็นกระทรวงใหญ่พร้อมที่จะกว้างขวางหลวงพ่อว่าเนี่ยอย่างเด็กนักเรียนทุกวันเนี่ยที่พงหลวงพ่อก็ได้ดูรับข่าวสื่อพอสมควรเพราะว่าหลวงพ่อเนีเป็นพระอยู่ในป่าดงพงภัยก็จริงแต่ละวันก็บพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คนนั้นพูดอันนี้ให้ฟังคนนั้นก็พูดอนนั้นให้ฟังแต่หลวงพ่อก็ฟัง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 ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันทางกระทรวงผู้ใหญ่สอนเด็กนักเรียนอสอน เ, อเพศศึกษาอย่างนี้แต่หลวงพ่ออยู่ในป่าตรงพงไปหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะ เ, เรื่องเพศศึกษาสอนในโรงเรียนเพราะอันนั้นมธรรมาชาติหมูหมากาไกา่เออมันทาอะไรมันเป็นของหมดการสืบพันไม่จาเป็นจะต้องสอนน่าจะสอนจริยธรรมมากกว่า สอนจริยธรรมคือความประพฤตินักเรียนทั้งหลายนักเรียนหญิงนักเรียนชายให้ระวังนะอย่าไปทําละลาบละล่วงลูกหลานคนอื่นเขานะถ้าว่าคนเนี้ย เ, เป็นลูกเพออหร ล, ลูกสาวเพออหรืเอเราไปทําให้ลูกสาวเพออท้องละ่ะแล้วจะเป็นยังไงเพออจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเออนี่ย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 ผลได้สู่กันนะอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนันละผลผลแห่งการการสอน เ, อเรื่องนั้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้กำลังออกผลเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกทุ ก, ท, กท่านถึงจะพูดในที่นี้ก็เถอะนะต่อไปหวงพ่อคิดว่าจะคงจะขยายผลเพราะนั้นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราบอกกล่าวหรือสอนจริยธรรมคือความประพฤติไม่ควรจะทำอย่างนั้น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 พระบรมวงศานุวงศ์ก็อีกหมุมหนึ่งแต่นี้พระพุทธองค์ท่านเสด็จมาเหนื่อยท่านก็บอกาอานอนท์ออกไปรับแขกออกไปรับพระบรรมวงศานุวงศ์เนเดี๋ยวเราจะพักก่อนคือพระพุทธเจ้าก็เป็นพี่ใหญ่ในตระกูลแต่พระอานุ์ก็เป็นลูกผููน้องของพระพุทธเจ้าลูกพี่ลูกน้องท่านก็ให้พระลูกพี่ลูกน้องออกไปรับลูกเป็นพระบรมวงศานุวงศ์แทน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 ประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้คือพระ อ, อ น, นุ์กล่าวในวันนั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจากที่ประทับที่หลังที่หลังม่านที่ประทับพระพุทธองค์บอกว่า อ, อ น, นุ์พูดถูกต้อง อ, อ น, นุ์พูดถูกต้องคือรับรับคำจากรับคำจากพระ อ, อ น, นุ์ที่ท่านบอกว่าถูกต้องพระ อ, อ น, นุ์พูดถูกต้องที่ว่ามีความรู้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 เขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเพราะเหตุไรเพราะว่า อ, อใช้ไม่ในทางที่ไม่ถูกต้อง เ, ออเพราะฉะนั้นถ้าคนมีจริยธรรมแล้วเขาจะไม่ใช้เขาจะเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่นนานคณะสัตธาญาติโฉมทุกหมู่ทุกเหล่านอะมีท่านนายอำเภอเป็นประธานในวันนี้ขอมอบออหมายแล้ะขอบมอบความไว้วางใจกับ